คนจึงรู้ตนเองว่าตนวิปลาสหรือไม่ยากยิ่งนักซึ่งยากสุดยากมากที่คนจะไม่วิปลาสปุถุชนคือคนที่ยังวิปลาสอยู่ทุกคนนั่นแหละแม้แต่ผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นอรหันต์ก็คือผู้ที่ยังเหลือเชื้อแห่งวิปลาสอยู่ เท่าที่ยังมีเศษเหลือของอนุสัยนั้นๆนั่นแหละและประเด็นแท้ที่คนปุถุชนวิปลาสนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนยิ่งแล้วว่าผู้ที่มีสัญญาก็ดีจิตก็ดีทิศฐิก็ดีในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข สิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าตนสิ่งที่ไม่งามไม่น่าพึงใจอสุภะว่างามน่าพึงใจสุภาความรู้สึกหรือเวทนาของใครก็ตามที่ยังมีอาการดังว่านั้นคือยังรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข สิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าตนสิ่งที่ไม่งามไม่น่าพึงใจอาสุภาว่างามน่าพึงใจสุภาเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจความเห็นของผู้ใดคือทิฏฐินั่นเองยังมีความรู้ความเข้าใจความเห็นว่าสุขที่เป็นความสุข จากการได้โลกธรรมมาสมใจก็ดีหรือได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วยางอร่อยสนุกสนานเพลดิดเพลินอยู่ก็ดีก็ล้วนคือยังมีอาการวิปลาสอยู่ทั้งสิ้นคู่ยังมีทิศทิวิปลาสอยู่อย่างนี้ ก็ย่อมมีชีวิตใช้สัญญาคือย่อมกาหนดหมายสัญญาเอามาให้ตนไปตามทิฏฐิคือความเข้าใจของตนที่เป็นอย่างนั้นอยู่นั่นแหละใช่ไหมนี่คือผู้ยังมีจิตวิปลาสอยู่ทั้งนั้นหรือใครสักคนไหมอย่าตกใจเป็นอันขาดว่า เรายังมีความติดยึดอยู่ตั้งมากมายแล้วเมื่อไรมันจะสิ้นสุดหรือหมดเคลี้ยงไปได้สักทีเล่าเพราะมันเป็นเรื่องยากมากสำคัญขนาดนี้นี่เองพระพุทธเจ้าจึงให้ค่อยๆลดละไปตั้งแต่ส่วนน้อยปริสังไปตามลำดับเป็นขั้นต้น ขั้นกลางขั้นปลายอย่าไปเล่นเหมาหมดอะไรก็จะลดอะไรก็จะละหมดโดยไม่มีขอบเขตไม่มีกำหนดอัปมัญญาท่านให้กำหนดเอาไปตามลำดับขั้นของศีลคือข้อกำหนดประมาณเอาตามแต่ใครจะพอทำได้หรือตามกรรมฐานคือตามที่ตนตั้งจิต กำหนดเอาเท่าที่จะปฏิบัติพอเหมาะกับตน